มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาปฐมวัชนานาเอกกิจจกรณะปัญหาที่สิบห้า ถามว่ากุศลธรรมมีสันดานต่างกันให้สําเร็จประโยชน์อันเดียวหรือราชาสมเด็จพระเจ้าวิลินจึงมีพระราชโอการตรัสว่าพันเตนาคเสนาข้าแต่พระนาคเสนผู้เป็นเจ้าผู้ประกอบด้วยปรีชาอีเมธรรมมาอันว่ากุศลธรรมทั้งหลายนี้มีสันดานต่างๆกันให้สําเร็จซึ่งประโยชน์อันเดียวกันหรือพระนาคเสนถวายพระพรว่า กระนั้นแหละมหาบอพิษทำทั้งหลายมีสันดานต่างกันให้สำเร็จประโยชน์อันเดียวแล้วค่าเสียซึ่งกิเลสด้วยขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินปินประชากรจึงนิมนต์ให้พระนาคเสนกระทำอุปมาพระนาคเสนผู้ปรีชาก็กระทำอุปมาอุปไมยว่ามหาราชะดูราณบอพิษพระราชสมภาร เปรียพานประดุษเสนาจัตุรงค์แห่งองค์สมเด็จบร ม, มกษัตริย์อันยกไปปรับปัจจามิตรหมู่อรินท ร, ราชอันราวีฝ่ายจัตุรงค์ค่เสนาทั้งสี่คือเสนาช้างเสนามา้าเสนารถเสนาบทบาทเปล่าเหล่านี้ต่างกันกระทําสงครามได้อันเดียวคือชนะศึกอันเดียวแล้วก็ฆ่าเสียซึ่งหมู่ปัจจามิตรทั้งหลายนั้นยะถามีคารุวนาฉันใด กุศลธรรมทั้งหลายนี้ไซมีสันดานต่างกันมีลักษณะต่างกันให้สําเร็จประโยชน์เดียวกันแล้วค่าเสียซึ่งกิเลส ท, ทั้งหลายให้ปะละลยอุปมาเหมือนจัตุรงคเสนีมีสันดานต่างกันชนะสงครามอันเดียวแล้วค่าเสียซึ่งค่าศึกนั้นพระเจ้ากรุงมิลินปินกษัตริย์ทรงฟังก็โสมนตรัสว่า พระผู้เป็นเจ้าวิสัชนานี้สมควรแล้วนานาเอกกิจกรณปัญหาเป็นคำรบ15จบเท่านี้ปัโมวะโคโสลสปันโหแสดงมาด้วยปัมวรคมีปัญหา16ปัญหานับวันเจนะปัญหาอีกปัญหาหนึ่งเข้าด้วยจึงเป็น16ปัญหาจบเท่านี้จบปฐมวัค